วันนี้เป็นวันที่พวกเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคือวันที่หลวงพ่อได้ลาสังขารนะแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยาของเราขึ้นอยู่กับตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะหลวงพ่อก็จำต้องลาจากพวกเราไปเป็นการยากนะที่ เราจะนึกถึงสถานที่แห่งนี้โดยที่ไม่มีหลวงพ่อคำเขียนอยู่กับเราด้วยเหมือนกับที่เป็นเรื่องยากที่เราจะนึกถึงวัดป่าสุกโตโดยไม่มีหลวงพ่อคำเขียนเพราะว่าถ้ามาคายหวานนี้ตลอด40ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะก็มีหลวงพ่อเป็น ทั้งผู้บุกเบิกแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการดูแลทำให้เกิดมีวันนี้ขึ้นในธรรมนองเดียวกันจิว ป, <ร>ป่าสุกโตหลวงพ่อก็ได้มาบุกเบิกอที่แรกก็มาพร้อมกับม า, มาไล่หลังหลวงพ่อจ่อยหลงพ่อบุตรธรรม แต่ตอนหลังท่านก็เป็นผู้บุกเปิกที่สำคัญไม่มีหลวงพ่อคําเขียนก็คงไม่มีวันนี้นะของบ้านท่ามะไฟหวานแล้วก็คงจะอาจจะไม่มีวัดป่าสุก โ, โตด้วยซ้ำหลวงพ่อคําเขียนเป็นรูปธรรมของความเมตตานะที่เราสัมผัสได้ทุกคนที่ได้รู้จักท่าน ความเมตตาชักนำให้หลวงพ่อคำเขียนขึ้นมาบนหลังเขาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าท่านต้องการที่จะนำพาผู้คนให้ได้พบธรรมะอย่างที่หลวงพ่อท่านได้พบมาแต่ว่าพอท่านทราบว่าที่ท่ามาไฟหวานมีปัญหาญาติโยมนิมนต์นท่านมาจำารรษา ที่นี่จากวัดป่าสุกโตท่านก็ยินดีมากำลัท ง, ทงที่รู้ว่าจะต้องเจออะไรนะที่ถ้ามาไปหวานเพราะเวลานั้นเนี่ยถ้ามาไฟหวานไม่ใช่อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะสมัยนั้นนี่เขาเรียกกันว่าดงเลือดนะอันนี้คนเฒ่าคนแก่ได้เคยบอกอาตมาว่าถ้ามาไปหวานเนี่ยคือดงเลือด เพราะว่าไม่ค่อยมีถือไม่มีแปลเท่าไร่คนที่กนี่ขึ้นมาคนที่ขึ้นมาบนหลังเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีที่ไปหรือว่าไม่สามารถจะอยู่พื้นราบได้อันที่นั้นก็มีความขัดแย้งอันที่นี่ตอนนั้นเมื่อสีสิปีที่แล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแยง้งทะเลาะบอกแว้งกันเพราะไม่มีถือไม่มีแปลกฎหมายก็แผ่มาไม่ถึง แต่เพราะความเมตตากรุณาของหลวงพ่อนะท่านก็เลยรับมาเป็นเจ้ า, าวาดนะที่นี่วัดภูเขาทองไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะแต่ว่าเริ่มต้นจากติดลบด้วยซ้ําเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่รู้จกักศีลไม่รู้จักธรรมด้วยซ้ําท่านเล่าว่าตอนที่ท่านมาย้ายมาที่นี่ใหม่ๆมี ตอนที่ท่านย้ายมาที่นี่ใหม่ๆต้องขนขวดเหล้านะออกจากวัดนี่นะไม่ใช่แค่สิบนะเป็นร้อยร้อยขวดเลยเพราะว่าคนนี้เอาเหล้ามากินในวัดแล้วก็ใช้ศาลาวัดเป็นอ่าเป็นบ่อนทำเล่งการพนันถ้าต้องมาฟื้นฟูวัดให้เป็นระเบียบนะให้เป็น หลักชัยเป็นหวัวใจนะทงัทงธรรมนะของผู้คนแล้วเมื่อท่านมาแล้วนี่ท่านก็ต้องทําหน้าที่คล้ายๆกับผู้ใหญ่บ้านไกลๆช่วยระงับความขัดแย้งของผู้คนให้กลับมาสามัคคีกันคืนดีกันสบางที่นั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายจุดมุ่งหมายของหลวงพ่อที่ขึ้นมาบนหลังเขาเลย หลวงพ่อพท่งต้องการมาสอนทำนะเพราะว่าท่านถนัดทางนั้นแต่ว่าเมื่อท่านเห็นความทุกย่างผู้คนเพราะความไม่มีคือไม่มีแต่ความทะเลาะบอกแวงท่านก็เลยรับมาเป็นทั้งผู้นําทางจิตใจแล้วก็ผู้นําของชุมชนไปด้วยในตัวแล้วก็ทีลน้อยทีละน้อยท่านก็สามารถที่จะ สร้างศรัทธาให้ผู้คนเนี่ยมีในตัวท่านแล้วก็มีในพุทธรรมคำสอนสามารถจะเข้าวัดเพื่อมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอบายยามุขก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปการทะลอดหลอะแร้ถงถึงขั้นลดลาเรือตกยันออกนะก็ลดน้อยลงตลวงพ่อมเสียนานมีเมตตา เมื่อถึงความทุกข์ยากเหลือดร้อนเกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าท่านก็จะไม่ยอมปล่อยให้ผ่านเลยไปเมื่อท่านทราบว่าเด็กชาวบ้านเด็กตัวเล็กๆต้องตายเพราะว่าตามพ่อแม่เข้าไปทำไร่ทำนานในป่าท่านก็ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เด็กขึ้นรับเอารูปของเขามาเลี้ยงที่วัดนี้แหละ โดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าที่นี่จะเป็นโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทําสิ่งที่ท่านทํานี่มันคือศูนย์นะเด็กแห่งแรกของจังหวัดชายภูมิศูนย์เด็กแห่งแรกของจัยภูมินี่อบนเขานะไม่ได้อยู่ในเมืองท่านทำด้วยความเมตตาอยาจะดูแลสั่งสอนเด็กให้มีธรรมะแต่ว่าก่อนอื่นก็ให้มี ชีวิตที่ปลอดภัยจากโ ร, โ, รโรคภาพยาธิและเป็นพ่อศู์เด็กนะที่ทำให้อตมาได้มาพบกับหลวงพ่อเพราะว่าตอนนั้นตมาเป็นโยมตอนนั้นก็ทำโครงการแดนน้องผู้หิวโหวยช่วยเหลือเด็กขาดอาหารในภาคอีสานโดยเฉพาะชยภูมิโค ร, ราช เมื่อเห็นว่าหลวงพ่อท่านมีกิจกรรมที่น่าสนับสนุส น, นก็นเลยขึ้นมาบนหลังเขาตอนนั้นไม่รู้ได้ซ้ำเลยนะว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ต่หลังก็มาช่วยท่านทาสะอาดกองข้าวเพื่อทําให้ชาวบ้านมีข้าวราคาถูกเพราะสมัยนั้นข้าวราคาแพงมากเพราะไม่มีถนนกว่าจะขนข้าวขึ้นมาได้ข้าวก็จะราคาสูง แต่ว่าถ้ามีสหัพยากรขนข้าวมาเยอะๆจากชัยภูมิซึ่งตอนนั้นมีถนนแล้วนะก็ช่วยทำให้ข้าวราคาถูกนะชาวบ้านก็สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็เป็นเพราะความเมตตาของหลวงพ่อ ท, ทั้งที่ท่านไม่ได้คิดจะมาทำเรื่องนี้เลยแ ต, แต่ท่านก็ได้มาช่วยพัฒนาชุมชนจนมาทั้ง ท่านชามาไปหวานก็สามารถจะลืมตาอาปากได้แต่ว่าตลอดเวลาหัวงพ่อท่านไม่ได้ทิดเรื่องกรรมฐานเลยมีแล้วถ้าได้รับกิจนิมนต์ายดงนิมนต์จากหมู่คณะให้ไปแสดงธรรมท่านก็ลงจากเขาไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆทั้งกรุงเทพผัดใหญ่ขอนแก่น หลวงพ่อท่านไม่ได้สนใจแต่ความทุกข์ยากของชุมชนแต่สนใจความเดือดร้อนของธรรมชาติหลวงพ่อนี่รักธรรมชาติมากและนั่นก็คือเหตุที่ทาให้ท่านไปตักหลักที่วัดป่าสุกโตหลวงพอนั่นเป็นที่ที่ท่านจะอนุรักษ์ป่าไว้ได้เรื่อหลวงพ่อแล้วธรรมะกับธรรมชาติแยกจากกันไม่ออก หลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อท่านไปพบธรรมก็ท่านท่านก็มีความรักองคแห่งในธรรมชาติมากและท่านก็ได้ทำอนุรักษ์ป่าสุกโตท่านั้งที่ยากลำบากมากเพราะว่าคนมาตัดไม้ก็ดีหรือว่าไฟที่มาจากไรลข้างเขียนก็ดีมาเผาทำลายอยู่ทุกปีทุกปี แต่ท่านก็ไม่ยออ่อท้อหลวงพ่อเขียนมีภาระเยอะนะเพราะความเมตตากลุณาของท่านที่ไม่มีประมาณท่านใส่ใจชุมชนและท่านก็เป็นห่วงใยธรรมชาติแต่ตลอดเวลาที่ทํางานให้กับชุมชนและอนุรักษ์ธรรมชาติท่านก็ทํางานเรื่องสอนธรรมะ ไปควบคู่กันจนกระทั่งระยะหลังนะท่านก็มาเน้นหนักนะด้านการสอนทรรมนะควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าส่วนงานด้านชุมชนท่านก็ทำน้อยลงนะอาตมาโชคดีที่ว่าได้มารู้จักหลวงพ่อในฐานะไม่ใช่นักพัฒนาเท่านั้นแต่ว่า แล้วก็ไม่ใช่ในฐานะของนักอนุรักษ์ธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังรู้จักหลวงพ่อในฐานะที่เป็นอาจารย์กรรมฐานซึ่งเป็นเหตุแห่งธรมาได้ตัดสินใจมาบวชแล้วก็ความปฏิบัติอยู่กับท่านมาอยู่ที่วัดป่าสุขัโตตั้งแต่พรรษาแรกก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้รับอ น, นิสงค์จากหลวงพ่อ เป็นอนกปริยายโดยเฉาะในเรื่องของการเปิดใจให้ได้เห็นธรรมะได้เข้าใจธรรมะหรืออย่างน้อ ย, อยก็ได้รู้จักตัวเองได้รู้ว่าชีวิตนะที่ควรค่าแก่การดำรงอยู่นั้นมันควรเป็นอย่างไรเป็นชีวิตที่ตื่นรู้เป็นชีวิตที่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัว ที่จริงหลวงพ่อท่านไม่ได้มีแต่เพียงความเมตตา ก, กรุณานะหลวงพ่อมีปัญญาที่ลุมลึกด้วยเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่ได้เห็นธรรมด้วยตัวเองหลังจากทุ่มเทปฏิบัติฝึกฝนกับหลวงพ่อเทียนปัญญาของหลวงพ่อคำเขียนหรือสัจธรรมที่หลวงพ่อได้ค้นพบนั้นเนี่ยมันมีค่ามหาศาลมาก และท่านก็พยายามที่จะอุทิศตนเพื่อชักนำนำพาให้พวกเราได้มีปัญญาเห็นอย่างท่านบ้างเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการเกือกูลจากบลวพเทียนจนกระทั่งเกิดความเข้าใจในศสัจธรรมที่ช่วยทำให้พน้นจากความทุกข์ได้ ก็เชื่อว่าหลายคนที่ได้ปฏิบัติจากคำแนะนำสั่งสอนของหลวงพ่อก็ย่อมเกิดปัญญาไม่มากก็น้อยแม้ว่าจะไม่สามารถจะถึงขั้นหรือถึงระดับของหลวงพ่อคำเขียนได้ผมก็เลยเน้นย้ยาถึงเรื่องของการที่เห็นสัจธรรมเข้าใจเรื่องรูปนาม ไปถึงนะทั่งการเห็นความเกิดดับของนามรูปเพื่อที่จะทำให้ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวงจนถึงขั้นว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรในช่วงหลายปีในระยะหลังหลายปีเนี่ยที่ผ่านมาหลวงพ่อจะเน้นแล้วก็พูดอยู่บ่อยๆว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่ก็มีความหมายตั้งแต่ การที่ไม่เข้าไปในความคิดไม่เข้าไปในอารมณ์คือเห็นแต่ไม่ใช่ผู้เป็นนะไม่ใช่ผู้โกรธไม่ใช่ผู้คิดไม่ใช่ผู้โลภแต่เห็นความโกรธความคิดความโลภที่เกิดขึ้นในใจต้องจะเน้นเสมอนะว่าให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นโดยใช้วิธีการที่ อธิบายอย่างง่ายๆว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือรู้เฉยๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาจากหลวงพ่อเทียงรู้ซื่อๆคือการที่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกด้วยด้วยความเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นกับกายก็รู้รู้เฉยๆไม่ตัดสินอะไรเกิดขึ้นกับใจไม่ว่าความคิดรื่องอารมณ์บวกหรือลบก็ ไม่ไปคล่องแวะไม่ผลักไสแล้วก็ไม่ไขวยคว้าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างแค่รู้เฉยๆในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกุญแจที่จะพาไปสู่ภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือการไม่เกิดพบเกิดชาตินั่นเองคนเราทุกวันนี้นะเาจะปรุงแต่งพบชาติด้วยอํานาจของอุปาทาน ดยความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูอยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรแม้สมอยากมันก็ยังทุกข์เพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นแล้วนี่จะไม่ดับสิ่งที่เป็นในที่สุดมันก็เกิดชรามรณะก็คือดับไปถ้าอยากเป็นอะไรแม้ได้เป็น แม่นานก็จะทุกข์เพราะว่าถูกพลากจากภาวะหรือความเป็นสิ่งนั้นก็คือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่อยากเป็นถึงแม้ไต้เป็นแล้วนะก็สูญเสียสิ่งนั้นไปเรื่องนี้เรื่องแบบนี้นะถ้าไม่ปฏิบัติก็เข้าใจได้ยากและถ้าไม่เข้าถึงก็ยังต้องมีความทุกข์เพราะความมีความเป็น คนเราทุกวันทุกเพราะมีไม่เป็นแล้วก็เป็นไม่ถูกนก็คือมีด้วยความยึติดแล้วก็เป็นด้วยความถือมั่นหลวงพ่อท่านจะเน้นอยู่เสมอนะว่าเนี่ยถ้ามีสติมันจะ ต, ตัวเป็นตัวบุกเบิกเนี่ที่ทําให้เกิดปัญญาถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรตลอดที่ต่อเวลาที่หลวงพ่อท่านได้อ่า ยังมีสุขภาพดีท่านก็สอนเรื่องนี้แหละสอนแล้วสอนเล่าทั้งพูดทั้งบรรยายจะ่ที่สำคัญคือท่านทำให้ดูดูให้เห็นด้วยพวกเราที่ได้กรชกับหลวงพ่อก็จะรู้ว่าหลวงพ่อนั้นท่านเป็ น, ป น, ปนท่านปล่อยวางมากท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรที่ทำให้ทุกข์ แต่ก็ไม่แม้หมายเคราะว่าถ้าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ท้าก็พยายามสอนพวกเราให้มีหลักมีเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตเลยเพราะผู้ที่เป็นนักบวชกากขณนเดียกันก็ปฏิบัติจนวรทั่งให้เขา้าใจว่าการไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่มันสำคัญอย่างไรบ้างผมก็ เป็นพระผู้ใหญ่พระมหาเทระที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมากอาตมา ก, ก็เห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อสามสิบปีที่แล้วไม่ว่ากับญาติโยมกับเนรกับเด็กเล็กเนะี่ยหรือแม่กทั่งกับธรรมชาติแล้วจนถึงวันสุดท้ายนะของอชีวิตของท่านก็ยังเห็นเช่นนั้นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง อันนี้ไม่ใช่เพราะความเมตตากรุณาของท่านเท่านั้นแต่เป็นเพราะปัญญาของท่านที่ทำให้สามารถรู้ถอนในความปิดมั่นหรือมันในในตัวกูของกูได้จนกระทั่งไม่เป็นอะไรกับใครหลวงพ่อไม่ได้เป็นคนที่ถือยกถืออย่างแม้จะเป็นพระครูแต่ว่าก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรกับท่านเลยการมาถึงเวลาที่ท่านป่วยนะ ท่านก็ยังสามารถที่จะแสดงคุณลักษณะอย่างนี้ให้เราเห็นอาการป่วยของท่านครั้งหลังนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกทุกทรมานมากนะเพราะว่าหลอดอาหารก็ดีหลอดลมก็ดีเนี่ยมันอุดตันท่านไม่สามารถจะทานอาหารเนคนปกติได้ต้องรับอาหารทางสายยางหายใจก็ต้องหายใจทางท่อ เพก็ทำให้เกิดความไม่ใช่แค่อึดอัดนะแต่ว่าเกิดทุกขเวทนาด้วยไม่นับอาการอย่างอื่นนะที่เกิดจากมะเร็งแต่หลวงพ่อท่านก็จะสามารถที่จะส่งใจเอาไว้ได้แล้วก็พยายามสอนพวกเราอยู่เสมอการที่ท่านไม่สามารถพูดได้นะในแง่นึ่งก็เป็นข้อเสีย แต่ข้อดีก็มีตรงที่ว่าทำให้ท่านเขียนบันทึกให้เราได้รับทราบนะถึงความรู้สึกของท่านตลอดเจ็ดเดือนที่ท่านอ า, าพาธซึ่งที่ท่านบันทึกนั้นเนี่ยก็โดยล้ว แ, ลแต่มีประโยชน์อาตมาจะมาคัดจะคัดข่อความบางตอนที่ท่านเขียนในหลวงที่อ า, าพาธให้พวกเราได้ได้ฟังกัน เขบอกว่าเวลานี้ยูวความไม่เป็นอะไรกับอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนมีธรรมนำพาไม่มีวันตายเราเห็นประสบการณ์ตั้งแต่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงขอให้เราจงพากัปนปฏิบัติไปจะได้พบเห็นอาการดับไม่เหลือของนา ม, มารูปเชยเก้าปีที่ผ่านมาคือวันนี้รู้สึกตัว รู้สึกตัวดีท่านอาธท่านมีทุกขเวทนามากนะแต่ว่านั่นก็เป็นความทุกข์ทางกายแต่ว่าจิตใจของหลวงพ่อถนอาจะสุขสบายยิ่งกว่าพวกเราเสียอีกทั้งหมดแต่ทั้งนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในทางธรรมอาี่ท่านได้พบได้ประจักษ์ จากพิปัสนากรรมฐานจนกระท่่นเห็นความจริงของสัจธรรมอันนี้แหละคือปัญญาที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกขเวทนาอย่างยากที่คนธรรมดาจ ะ, ะเผชิญได้บางครั้งหลวงพ่อก็ยอมรับนะว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะโรคพาให้เหนื่อยส่วนจิตใจก็อยู่กับตัทธตา าตาตาคือเป็นเช่นนั้นเองอะไรที่เกิดขึ้นก็เช่นนั้นเองส่วนจิตใจก็อยู่กับตาตาความเป็นเช่นนั้นเองไมไ่เอาความเหลื่อยมาเป็นชีวิตจริงทํานําพาให้อยู่ค<ร>ือได้ทำนะไม่ได้อยู่ด้วยความรู้สึกไม่ได้อยู่ด้วยเวทนาไม่ได้อยู่ด้วยความอยากไม่ได้อยู่ด้วยความกลัวความโกรธความเกลียดหรือความโลภ ค, ความหลงแต่อยู่ได้ทำ ทำนำพาให้อยู่มีแต่ความปล่อยวางบางครั้งก็หายใจไม่ได้ก็สนุกไปกับความตายไม่กลัวตายแต่ท่านก็ทิ้งท้ายว่าแต่คนอื่นลำบากกับเราเวลานอนก็อาจไม่ได้นอนหลวงพ่อเป็นห่วงนะัผู้ที่ดูแลท่านนะซึ่งต้องดูแลกันเรียกว่าแทบจะ24ชั่วโมงตลอด7เดือนหลวงพ่อ ที่จิงทุกข์กว่าพวกเราแต่ว่าท่านเป็นห่วงนะลูกศิษย์ที่ดูแลท่านทั้พระทั้งโยมเพาะว่าแม้แต่เวลานอนก็อาจจะไม่ได้นอนหลงพ่อพูดไม่ได้นะแสดงธรรมไม่ได้ด้วยถ้อยคำนแต่ว่าท่านก็แสดงธรรมให้เราเห็นแมกัะท่านในยามที่อาบภาพด้วยการทาให้ดูอยู่ให้เห็น แต่บางครั้งก็มีเมตตาเขียนบันทึกนะแทนคำเทศนาคำบรรยายของหลวงพอ่อซึ่งอรตมาเชื่อว่า เ, เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งล้ำค่ามากนะเพราะว่าคำบรรยายของหลวงพ่อหลายครั้งนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ชัดเจนหรือว่ากระชับเท่า น, นี้ถ้าอาจจะพูดเป็นเวลาสิบห้านาที แต่ว่าเมื่อท่านอ า, าพาธเนี่ยท่านไม่สามารถจะเขียนได้ยาวท่านก็เขียนอย่าง ก, กระชับแต่ก็ได้ใจความนะพ อ, พอกับคำบรรยายนะสิบห้านาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงซึ่งน่าจะเป็นนะแบบยาวให้กับพวกเราหรือว่าเป็นแบบศึกษาสลงพ่อท่านตนักดีว่านะว่าอ า, าพาธทางนี้คนะงจะมีความตายเป็นที่สุดนะ เัาคงจะไม่รอดเพราพฉะนั้นเนี่ยท่านก็เตรียมเตรียมตัวแล้วก็พยายามที่จะสั่งเสียล่ำลาพวกเราหลพ่อท่านพูดในตอนหนึ่งนะเมื่อสักสองเดือนสามเดือนทีแล้วบอกว่าขอสั่งลาทุกทุกท่านธาตุขันธาตุันคงอยู่อิกได้ไม่นานแต่ความเป็นไกรยนมิดยังอยู่ตลอดไป ท่านอยู่ได้ไม่นานนะตอนนี้ก็แตกสลายแนละ้วในส่วนรูปธรรมแต่ว่าความเป็นเกเรณมิตรขอให้เราะหนักว่าท่านายังอยู่กับเราท่านายังเป็นเกเรณมิตรกับพวกเราเมื่อใดก็ตามที่เราท้อแท้ท้อถอยหรือมีความทุกข์นะเขาไขเราลเลือดว่าเลือดถึงคําพูดนี้ว่าความเป็นเกเรณมิตรยังอยู่ตลอดไป หลวงพ่อจะยังเป็นไกลนิดนิดกับเราเดี๋ยวที่ว่าเราเนี่ยจะยอมให้ท่านเป็นไกลนิดนิดกับเราหรือไม่ถ้าเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวก็แสดงว่าหลวงพ่อไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีสติไม่รู้สึกตัวจมอยู่ในความทุกข์อันั้นก็ทั้งเพราะว่าเราขีดการท่านออกไปจากความเป็นกกลมิตรกับเรา หลวงพ่อได้พูอีกตอนหนึ่งว่าสั่งลามิสายทุกท่านถ้าคี่เาไม่มีวันที่จะอยู่ได้นานขอให้เน้นสติปัญญาแทนเป็นปากเสียงเป็นปากเป็นเสียงธรรมตามที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราถึงที่สุดแห่งทุกได้จริงแล่ท่านก็บอกว่าเวลานี้มีแต่ปล่อยวางไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นคำสังเสียที่สาคัญนะขอให เน้นสติและปัญญาแทนเพราะพวกเราเป็นป่าเป็นเสียงแห่งธรรมตามที่หลวงพ่อเทียนสอนและท้ายๆความบอากับเราว่าพวกเราถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงนะเพราะว่าท่านก็ได้ถึงไปแล้วทนะําไม่ได้พูดหรือรับรองจากการดาวเอาหรือจากการคิดเอาแต่การที่ดานได้ได ได้บรรู้ได้ถึงด้วยตัวท่านเองตรงพ่อไม่เป็นแต่สอนทำให้กับเราทัในยาพปกติอย่างอาภาพทัศนยาพมรณภาพละสังขารก็ยังเป็นธรรมะที่สามารถจะสอนให้กับเราได้ตระหนักวา่าความตายเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเอง ต, ะะตาถัตา แต่ตายอย่างไรถึงจะตายอย่างสงบตายดียาตายอย่างไม่มีพูดตายตอันนี้ังหาพี่เป็นการบ้านให้กับพวกเราหลพ่อตอนที่ท่านมีชีวิตยอยู่ท่านก็อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมและเมื่อท่านได้รับสังขารท่านก็ได้ฝากฝังให้ การมรณาภาพของท่านแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับธรรมด้วยหลวงพ่อได้ได้สั่งเสียแล้วก็ได้ได้ฝากฝังเอาไว้นะว่าเมื่อท่านมรณาภาพแล้วขอให้พิธีศพจับแบบเรียบง่ายให้ระลึกว่าท่านเป็นพระจนอย่จาจับแบบคุ้มเฟยหลวงพ่อบอกว่าท่านไม่ขอรับพระราชทางเพิงศพ ถึงแม้ว่าท่านจะมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นได้เพราะว่าเป็นเจ้าะอดีตเจ้าคณนะตำบลหลวงพ่อไม่ขอรับพร้าทางเพินงศกและก็งานศพก็ท่านก็อยากง่ายทำแบบง่ายๆแทนที่จะสวดอย่างที่เราเห็นกันในงานศพส่วนใหญ่ท่านบอกว่าให้ให้สวดแปลและท่านก็เลือกนะอยู่สองบทนะั่นคือธรรมจักรกับวัฒนสูตร อย่างที่เราสวดมาสักครู่แล้วก็อภิธราแปลเพราะฉะนั้นที่เราทำอยู่เยนนี้เนี่ยนะก็คือการทาตามคาสั่งของท่านนะเพื่อให้เป็นเพื่อให้ไม่ใช่เป็นศัรตรว่าประเพณีพิธีกรรมที่ไม่มีความหมายพระสวดไปโยมก็ไม่้าใจแล้วก็า จ, จะคุยกันนะแต่ว่าท่านอยากจะให้การสวมดมนั้นเนี่ยมีสาระมีความหมาย สวแล้วก็แปลด้วยแล้วก็มีแสดงธรรมท่ขาข้อสั่งเสียอีกหลายอย่างนะที่เพื่อกำชับให้งานศพของท่านนะเป็นไปอย่างไม่ฟุงเฟอ้อไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นงานศพของหลวงพ่อเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะแล่เราก็อยากจะให้พวกเราได้ อ, อนุโลมหรือว่า ทำตามที่ท่านได้ฝากฝังเอาไวนะ้ให้เป็นงานที่มีสาระมีความหมายตัวมันต่องไปถึงวันที่จะปรงศพท่านนะซึ่งกําหนดให้เป็นวันที่6 ก, กันยาก็จะให้เป็นไปอย่างเรียบ ง, ง่ายเท่าทียจเป็นไปได้นะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยแก่ผู้ที่มาเราก็หวังว่านะทุกท่านนะจะได้ช่วยทําให้ คำสั่งเสียหรือคำสังเสียของหลวงพ่อนี้นะได้เป็นไปอย่างที่ท่านได้ปราสถนาและก็จะดีกว่านั้นถ้าว่าเราได้นำเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดย้ำอย่างมากในช่วงระยะหลังคำนี้ก็ขออุตติเสถี เ, เท่านี้กราบพระพร้อมกัน